8. ปัทมะคินชกาวะสทสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายที่พระตำหนักอิดสูตรที่หนึ่งหนึ่งันสข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระตำหนักอิดในหมู่บ้านยาติกะครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณนะที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการละหักษุมรณาภาพแล้วคติของท่านเป็นอย่างไรอภิสัมปรยพบเป็นอย่างไรนันทาพิกษุณีมรณาภาพแล้ว คติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมภรยพภเป็นอย่างไรสุทัตตาอุบาสกถึงแก่กรรมแล <aus> <aret> ้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมภรยพภเป็นอย่างไรสุชาดาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้วคติของนางเป็นอย่างไรอภิสัมปรยพภเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาโนนสาระหาภิกษุมรณาภาพแล้วทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอัสวะเพราะอัสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนันทาภิกษุณีมรณาภาพแล้วไปเกิดเป็นโอปะปะติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก เพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปสุทัตตะอุบาสกถึงแก่กรรมแล้วได้เป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชนสามประการสิ้นไปและบรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางได้มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นางสุชาดาอุบาสิกาถึงแก่กรรมแล้ว ได้เป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสาเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าอานนท์ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายไปหากเมื่อบุคคลนั้นๆตายไปเธอทั้งหลายจะเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับเราก็พึงเป็นความลำบากแก่ตะถาคตเพราะฉะนั้น เราจักแสดงธรรมบรรยายชื่อธรรมธาตุคือแว่นสองธรรมที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็จะพึงพยากรณ์ตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตว์ดิวรชานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าธรมบรรยายชื่อธรรมธาตุที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังพึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนากสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตวดิรฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกติ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 นี่แหละคือธรรมบัญญายชื่อธรรมธาตุที่พระอริยสาวกผู้ประกอบแล้วเมื่อหวังก็จะพึงพยากรตนเองได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตดิรฉานสิ้นแล้วมีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้วมีอบายทุกติและวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าปัธรมคินชกาวัสทสูตรที่แปดจบพระสูตรทั้งสามสูตรมีเหตุเกิดอย่างเดียวกัน